เย็ยนก็นทำสั้นเพื่อเป็นพิธีที่จะมาเล่าหรือมาเวาธรรมะให้พวกเราฟังธรรมะนั้นนะ่ะบางคนบอกเข้าใจบางคนก็เข้าใจเพราะเราบวศึกษาตัวเราแระบวชจากการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเราให้รู้จักตัวเราควบคุมตัวเราเลยควบคุมที่ไหนควบคุมกาย ควบคุมวาจาควบคุม จ, จิตใจปฏิบัติธรมรมะต้องใหากกา้รู้จักกายรู้จักวาจารู้จักจิตใจไปเลยแต่การควบคุมนั่นคือควบคุมร่างกายอันลกูกเจ็บหัวปวดท้องให้ามาโรคทางเลื้อหนังเนี่ยเขาจะควบคุมมันได้ยากหรือว่าอาจั่ได้ก็ได้มันต้องอาศัยหมอเลยนะ เ, เรื่องจิตใจเนี่ยมันเป็นีเรื่องงควบคุมจิตใจมันควบคุมได้ไหม ร่างกายนี่ถ้าหากว่ามันต้องการมันหิวร่างกายมันหิวว่าไม่ใจหิวใจหิวกับร่างกายหิวมันคนละเรื่องกันร่างกายหิวจะอ่อนเสียไปใจหิวอนเดยวมันมันอีกเรื่องหนึ่งใจหิวกือใจมันยากใจมันยากมันอยากกินนะฮะอยาใจมันหิวเมื่อใจมันหิวนั่นเขาจิหบูรุษจ๋า พอคิดไปตามอารมณ์ไปเรืวอควกคุมโมได้เห็นไหมครัต้องปฏิบัติให้มันรู้จักถ้าหากเขาควบคุมจิตใจของโมได้พอทีเว้าไปสะเพเหรอไปทําไปทุกทิ้งทุกอย่างไปนั่นแหละเขาเยว่าบ้าควบคุมโมได้ของบ้าเพราะใจมันทําไปเลยใจมันคิดไปเลยอันนั้นมันคือว่าบูรู้จักการควบคุมตัวเองบูรู้จักการควบคุมจิตใจตัวเอง ร่างกายเนี่ยควบคุมมันได้บางอย่างมันอยากไปฆ่าไปซบไปต้อยไปตีมันอยากเว้าวสั่งไดสิ่งที่บกวนว้าเนี่ยท่านบอกว่ามันต้องควบคุมได้อันส่วนมันอ้อนมันเพียมันหิวน้ําหิวข้าวปวดอุจลาปัจจุบันเนี่ยควบคุมบัได้มันต้องปล้อยไปตามนาทีกับมันหิวต้องหาให้มันกินที่สำคัญถ้ามันปวดท้องอุจลาไะแลต้องไปบกไปมัได้ อันนี้เขาควบคุมบมได้ถ้าเป็นโรคเจ็บหัวปวดท้องน่ะอันนี้เขาควบคุมโมได้ครับคันาบมินเอาอยามาให้รักษายาหมอหมอต้องมีความรู้ถ้าหมอโบดีกับโบโบหายถ้าหมอดีหายพบนี่หมอหูจักผมเป็นโรคอันนี้ควบคุมโมได้เพราะว่าอาศัยหมอผมไปหาหมอเขาตรวจเสร็จร่างกายในบางคนเขาก็บอกให้ซึ้ง ตึกหลงพอไปอยู่กับลูกกับหลานจะดีกว่วเท่าแล้วนี่เขาบอกหมอบอกท่านนะแสดวบบงว่าหมอกระบุหูวจักขับถ้าหากหมอหัวจักขับต้องเป็นโรคอันนั้นก็นต้องให้ยาทัานทนีผมเนี่ยปล่อยไปให้จนเป็นโรคที่แรกมันอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอย่างนี้หมอักจักพอเราบมอหัจั ก, จ, กจนเป็นมะเร็งขึ้นภายในกระเพาะเป็นลมผมไปยุกเป็นกระโปรงครับ ได้บ้านเฮานี่ก็ควบคุมมันกับโได้หลายคืออยู่ครับไปสิงคโปร์ในจันทรุติมูจนันไทย ว, วัาจันโครีผมนั่งกินอย่างบมได้เลยนอนโซมันก็อาเจียนกินน้ําก็อาเจียนออกมันมันมีอย่างซีต้านหานมันได้ควบคุมโมได้ครับจําเป็นต้องหมอพวกคุณมันได้ผมร้อนห่านี้ออมากินกิกนบมไดเปน็นอะไรทีก่ก็กินบมได จนเท่าหมอเขาให้ยากินจนถ้าตัดที่เราเยอะไม่เป็นไรนี่หมายให้เขาจาับศึกษาปที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราอันความเจ็บความปวดนั้นเป็นธรรมดาของการต้องรู้จักจึงที่มันจะแก้ไขต้องแก้ไขจึงที่บรแก้ไขได้ก็มีเป็นธรรมดาเป็นต่อมาผมมาผ้าตัดหุดในครั้งที่สามนี่แหละครับอันนี้ก็อาการหนะัก ครั้งแรกเนี่ยูมคุณสมบูรณ์โม่หลายคนนะเวลนั่งกินขา้าวผู้เดียวโบได้เนี่ยควบคุมโบได้ไม่ได้ต้องมีคนตีอยู่ด้วยลูบอยู่ด้วกินข้าวมันเป็นลมมันกินโบได้มันแครนเข้าเนี่เป็ยเรียกว่าแครนเข้าบ้านผมกืนบหลงหลมมันดันขึ้นมากินมันบนเป็นต้องมีคนหลักษาต้องมีสองคนตีทางหน้าทางหลังเป็นขนานนี้ดูวัสนารรมในคุณสมบูรณ์เนี่ย พยายามทำนี่แสดงว่าพวบคุมได้ร่างกายได้ไปแล้วแต่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยอาหารอาศัยการกินเนี่เรื่องจิตใจมันคิดอคงสร้างลาคาเนี่ยเราควบคุมได้เรื่อจิตใจได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องร่างกายเป็นอีกเรื่องหนึงงงงน่งต่องม า, มาเมื่อไม่กี่วันนี้เองเพมให้ไหมเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเมือ่อนึงผม แม่รับเวลาจะเอาเข้าอั น, นข้าวหนุ่มเงินของมันเนี่ยข้าวหนุ่มเงอนข้าวหนม่น ม, นมบังกับโอวันตินมาถึงแน่นหน้าอกเลยกินแล้วก็ะยุบบอดายเลยมั น, นี้ร้อมขึ้นมาแน่นขึ้นมาออกมาหาคนที่ไปหายามาแก้แบบ น, นี้ควกคุมยยไม่ได้เลยก็เลยมาหาออกมาี่เหคุณการณ์ให้มนันการไปซื้อเอาเตปซี่มากับน้ําแข็มาสิกินเตปซี่กับน้ําแข็งออกไปหมดระบายห น, นึ่งแก้ไขนีต้องหาวิธีแก้ไขน แต่เรื่องจิตใจนะเขาจะไปเดือดร้อนมันคิดมันทุกข์ได้นจนกว่าหัวใจมันทุกข์ไปมันเจ็บได้กับหัวใจเจ็บไปนะเป็นวกครบคุมทางใจควบคุมทางร่างกายร่างกา ย, ยต้องหาหมอเรื่องหาวิธีแก้กันนะครับดังนการศึกษาการปฏิบัติต้องฝึกขัดไว้แต่ต้นมือถ้าบอกฝึกเขัดต้นมือแล้วคนที่ตายเลยพวกเนี้ยพระจากเทศจากแดนบางคนนะลองโฮมลองให้ดีดลน อันนั้นควบคุมบได้แต่จิตใจควบคุมจิตใจได้แต่มันใจเพราะเลยมันเจ็บมันเป็นร่างกายแต่มันจิตตายมันบุคคลเมื่อรอกร่างกายมันบุคคลเมื่อตายแล้วก็บุคคลเมื่อดอกแต่ว่าในขณะนี่ต้องควบคุมต้องช่วยมันก่อนเราพอช่วยได้ต้องช่วยไม <Okay. S 1> ่ผู้จักใจอย่างนั้นจึงว่าตั้งใจปฏิบัติทำมาถ้าหากเขาจิบอตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันบมลู้เดสมันเสีเทียมแต่ว่ารููแล้วซื้อนี่ได้มันบมรูเดสนี่เยีางว่า เบื้งนี่นักศึกษานักเรียนเรียนมาคิดมากควบคุมโมได้เดี๋ยวผมคิดไปเป็นบ้าก็มีเรื่องเป็นบ้าน่ยเพราะควบคุมจิตใจโมได้เป็นโมไม่ควบคุมร่างกายต้องควบคุมจิตใจจิตใจมันฟุ้งซ่านก็เลยไปนะผมคิดร่างกายอ้อนนวนข้นสมบุรณ์โมเจ็บโมเป็นไม่ยั่งกระจ้าก็เลยข่มมวันบมได้เในควนว่าคนโมรู้จักวิธีควบคุมในเการฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟัง ผมนี่คือฟังมองลำนนตีได้ฟังอย่างพอวาฟังได้เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองคุณนี่ยผมนี่ฟังได้เอาทิ้งไปทีนี้โบเมน้นฟังแล้วบอกว่าต้องฟังต้องแก้ไขตัวเองแล้วบอกว่า ah ยายเฮ็ดโบเฮ็์ไม่ใช่เดี๋ยวจะแก้ไขได้บอกว่ายาเฮ็ดอย่างเฮ็ดอยู่มันก็แก้ไขโบได้แลว้วแก้ไขโบได้ฟังเสืส้อๆนี่ยคนจะดีจะซัวนี่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมตาเห็นหูได้ยิน ไ, ไ, ได้ฟังก่อ น, น ตาเห็นเป็นยังใงตาเห็นคนทําดีก็มีคําชั่วกับนี้ฟูฟังบนเนีย่ยคนพูดดีก็มีพูดชั่วกับนี้เป็นสัญลัวษณ์ให้เราศึกษาลงไปคิดใจการเคลื่อนการไหวของลูป ก, กายภายในนะ้องให้เรารู้จักเมื่อเรารู้จักการเคลื่อนการไหวของลูป ก, กายภายนะ้องจิตใจมันคิดอเรื่องจิตใจคิดกับเรื่องร่างกายนี่มันคู่น่ะเรื่องกันให้รู้จักกันเพ็นอยู่เนี่ย ผมเห็นด้วยตาผมหลายคนนะผมประสบมาบางคนเรียนจบปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีพวกคุมโบได้เป็นหมอที่แท้กับควบคุมโบได้ก็มีนะบางคนคิดคิดคิดคิ ด, คดสับสนวุ่นวายแล้วคิดแล้วก็เลยเอาลเลยหมดเลยเกิดมีการขัดแย้งในตัวเขาเท็จดีบ๊อสบดีเฮ็ดโบดีบ๊อสดีป่อสนี่มันเป็นอาจาย์ยุบเสาเนี่ยเ่ย ว, ว่าเราโบมี กำลังใจหรือว่าบุรู้จักจิตใจตัวเองให้วันถัดไปเป็นอะไรจังหวะมาที่นี่ที่เรามาฝึกหัดอันนี้พระคือกั น, น, กนโยมคือกันต้องปฏิบัติเปรีบเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจของคุณนะใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คานให้รู้จักใจมันขยันขันแข็งให้รู้จักใจมันอยันขัน้รู่ซื่อให้ไม่รู้จัก ใจมันคิดโกธคิดโลกคิดโลกให้รู้จักพุในใน่นไอ้เพรู้จักแล้วเยสันเนี่เอามาใ ส, ส่กระเปานี้บมดเลยใจคิดโกธรากบโกธรถกเหตุมันเนี่ยถาก็ยุ่ซื้อซื้ อ, อ, อว่าซื้อซื้อว่าหน้าที่ของเขาเองี่ยว่าพอแม่ให้รู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ลูกให้รู้จักหน้าที่ของลูกครูให้รู้จักหน้าที่ของครูผู้สอนนักเรียนไปเรียนหนังสือก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองนักศึกษา กาักษหน้าที่ของตัวเองนักศึกษาในผมถามเรียนปอนึ่งถึงป .6 เรียนมัธยมหกขึ้นไปยังเป็นนักเรียนอยู่ยังได้ให้มีครูมีอาจารย์ควบคุมตกลงเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาแล้วบม่ได้วควบคุมนะรักษาตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้โบดได้ได้ผมเบิลจีได้ ย, ยังยางเงเป็นบ้าอยู่นี่จีไม่ควบคุมตัวเองได้บน่นั่นแหละเพราะว่าโหมาแก้ตัวเองจากเธอ ฝุกหัดไว้พวกเขาอยากเป็นนะครับคนนะต้องรู้จัก <c oughs> ผมก็คือการแต่ก่อนบุรู้จัก <c oughs> เฮ็ดกัเฮ็ดว่าใจมันดีอยู่เรื่อยเฮ็ดอย่างว่าแต่ดีอยู่เรื่อยมันเข้าข้างตัวอยู่เสมอมันบุรู้จักบุเห็นจิตใจมันโลบมันโกธรมันหลงบุเห็นมันเข้าข้างตัวอยู่เรื่ยเฮ็ดนึกว่าดีละเฮ็ดแล้วดีละมันคิดตั้งแต่ดีอยู่เรื่อยส่วนบุคคเห็น บุหิยะจะเจอกตัวเราคิดว่าจะดีซื้อคนโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนึงย่างไปนําผาน่ต้องเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังเหลี่ยวท้ายเหลียวหัวเหลี่ยวตัวเองบ้างเหลียวหน้ากับคือเบอร์ไหนวะเหลียบไปแต่ข้างหน้าแล้วจีเห็ดไม่จีดีบ่สดีบ่สเหลียบไปข้างหลังมันเนี่ยเราเฮ็ดอะไดมาแล้วมันดีบ่สมันซั่วบอเจ้าของต้องหุ่นจางเหลียวหน้าเหลี่ยวหลัง เลี้ยข้างท้ายข้างหัวเนี่ยเลี้ยบมึงมู่บมึงเพื่อนมู่เพื่อนเฮ็ดยังไงเขาดีหรือเขาบู ด, ดีเขาเฮ็ดจังเป็นวะ่าเลี้ยบมึงตัวเองอบ่เนี่ยกําลังนึกกาลังคิดอยู่นี่เป็นว่าให้ควบคุมตัวมันได้ควบคุมรูปอันนี้ถ้าห่าว่ามันเลี้นโลนเกินไปควบคุมมันได้ใจมันคิดขึ้นมาบ่นเนี่ยควบคุมมันได้เป็นก ว, ว, ว่าดีแล้วการศึกษาหลักพุทธศาสนาบาปบุญศึกษาลงให้ที่ตรงนี้นะ บุญเป็นพี่มาซอยบุญเป็นเทวดามาซอยคนทุกเพราะยังทุกผู้รู้จักกินผูรู้จักใส่รู้จักหาผูรู้จักเก็บเป็นว่าคนดีเพราะยังะมีเงินมีทองเพราะรู้จกักหารู้จักใส่รู้จักเก็บเป็นว่ารู้จักแท้แท้บุญเป็นเจว่ารู้จักเลยว่าซื้อได้ผมเนี่ยเคยติดบุหรีสู้บุหรีมาสูบมาตั้งแต่ น, น้อยคนนี้พ่อแม่ฝึกหัดเอง พ่อแม่ถือว่าบุหุจักหักลูกโดยเ็ดใส่โบเป็ดเอาโบลี่ให้ลูกไปใส้ไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องซูบอันนี้แสดงว่าใส่ลูกบอกเขาเรื่องใส่ลูกโบเป็นเป็นอะไรก็เลยสูบยาสูบแล้วโบโออกเป็นได้เป็นเจ่นเท้ า, ทาไปปฏิบัติธรรมะทีแล้วผมอายุ46ปีบุหุจ46ปีนี้ผมเพราะผมเกิดเดือนสิบ ปีกุนเดือนสิบผมไปปฏิบัติธรรมะผมรู้จักเดือน 8, แปดแเดือนเก้าเดือนสิบเพราะเดือนสิบไปอย่างที่ฮอตสีสกปีแค่ผมยู่ปฏิบัติตัวของผมอยู่จนฮอดเดือนสิบเอ็ดเพ่งอี๋ยวนี้เ อ, อกพรรษาผมไปปฏิบัติธรรมะพรรษาหนึ่งผมรู้จักธรรมะตั้งแต่เดือนแปดถึงหูจักแล้วผมเลิกไดข้อมซัวทุกประเทศผมเลิกใดสุบูรีผมเลิกได ไปดูการเล่นเด่นการพ น, นันฟังดนตรีฟั ง, นนฟงขับลําพําเพลงผมเลิกได้เมื่อว่ายพี่ว้เทวดาผมเลิกได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอย่างที่จีวะเอามาพูดเอามาสอนเอามาแนะนําปาตักเตือนกันจีว่ะฝึกหัดให้มันรู้ดีๆแจ้งพี่มาควบคุมเฮามันทีมาควบคุมยังได้ของพี่มันก็ไม่มีเลยแจ้งเทวดามาควบคุมเฮา อเทวดาที่ได้เหมือนว่าหนพี่คือคนทำซัวปูดซัวหน้าเลือหน้าด้านนั่นแหละเคยได้ยินว่าว่าบักผีก็เป็นว่ายยากเนะเคยได้ยินว่าว่าผีนี่เคยได้ยินบอกได้ยินวาเออเนี่ยเคยได้ยินว่บัดเนรได้บัดเนรพระเดนเอพระองค์เนรเนรงันนี้เปนมันลอยอางคือผีนั่นเองมันต้องคือซื่อนี่เลยบุยเห็นจิตเห็นใจเพราะเดีมป็นร่างกายเป็นได่เป็นผีใจมันได้เป็นผีเนี่ยไม่เป็นอรทั้งนี้เกินว้ายากบักผีบรรนี้เนี่ย อีผีมันเนี้ยเนี่ยพระผีเดนผีเนี่ยมันเป็นเรืยากเป็นไวคนเว้ายากเนี่ยของเราเป็นผีผีหงผีฮาผนะะีนั่งสลับฮักมันเป็นอะไรเทวดาบ่เนี่ยคนเว้าดีเวานายสอน่ายเว้าง่ายคือเทวดาเนาะเน็ต ว, วายทาเทวดาก็าบอมีตนเขาบอมีโตัอย่างโตคนเวานายนเว้านายเข้าใจง่ายพุ่นพระเจ้าอันหิริขมละอายแก่ใจละอายใจพุ่นเนี่ เข็นใจคุณนี่ยโอตปะขวมเกงกลัวตอบาบบาบคือมันมืดเหมือนหูหุ่จักจิตหูหุ่นจักใจเข้าใจวะสอนให้เบิ่งจิตเบิ่งใจอันเทวดาก็คือคนทําดีพูดดีคิดดีเมืองสวรรค์มันเนี่ยก็คือยุ่งดีกินดีอารมณ์ดีบุทุกบุญญาบุญเดือดร้อนปัญหาคนเออเมืองสวรรค์นี่นิพพานมันเนี่ย น, น, นิพพานคือกลัวโบสถ์สับสนโบมุ่นหมายโบเดือดร้อนคนว่าอ่างั้นสิเออเนนิพ คือมันบ่มมารบกวนเขาเขาเห็นรูเท่ารูทันโล้ ถ, ถึงเหตุการณ์ของมันเพื่อนเอิญ น, นิพพานเพื่อนเอิญโล ก, กิญญธรรมโลกอุตตรธรรมโล ก, กิยธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลกเมื่อวางโลกไหนเขาเอิญโล ก, กิยธรรมมันผู้ห้างไกด์ผู้ ย, ย, กกยังยกไกด์จะ น, น, นิพพานแล้วที่ไปนิพพานะสมมุติเขาคือว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาที่ไปกรุงเทพสมมุติกรุงเทพเป็นนิพพาน บ้านเฮานี้เป็นโลกินะรับเขาเนี่ยเ่อกีไปกรุงเทพเนี่ยไปฮอดขอนแก่นเราไปพอทได้เป็นลงลดลงอย่างเละย้อนอะตอบนตอนเนี่ไปบ่อหอดรถตายข้างทางนั้นเพราะเออโลกินะรถโลกินะบ้านี้ผู้ตั้งใจไปเนไปฮอทกรุงเทพบริแทนไปเบิ้งสนามหลวงไปเบิ้งทุกก อ, อกทุกซอยทุกมุมโอ้ลักษณะของคนกรุงเทพการธรรมาหากินเป็นอย่างนี้หน่อยผู้จัก อันนักพนเอื้อหลูอุตตาธรรมพิจา ร, รนิพพานเหมือนพราะเขาไปพูดจักนิพพานคนทุกคนต้องตายนี่พอวายฝังนกเวน้นโบได้นีพน่พเอื้อสัจจะทำอะไรตายจะเท่นะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายเจ้าหัวไอจัวตายเมื่ทุกคนทุกชาติทุกกระสาทุกเพศทุกวัยที่อย่างพอวานคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็นตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ คนอเมริกาคนเขมรคนนวนคนลาวตายเป็นมุดในพระเอิ้นสัสจจะทำสัสจจะแล้วของจริงเปลี่ยนแปลงโบได้เป็นวนันนั้นแท้ของทีไเป็นหัวใสัสจจะอย่างที่โบได้ไปโบไปผิดสัจโบได้ทำโบทําผิดอันนั้นจริงอยู่คำว่าเอื้นโลกิยรระี้คําว่าสัจจะเนี่ยห ม, มายถึงความตายนี่แหละเขาจิศึกษาให้หัวใจกคนตายนี่หละจิตตายด้วยความทุกข์จิตตายด้วยความบอบช้ำ คันตายด้วยความทุกข์อนเอิ้นโลกียธรรมตายด้วยความมีทุกข์อนเอิ้นโลกุตรธรรมตายด้วยความทุกข์นันเพื่นว่าตายโดยมือมีสติโดยรู้สึกตัวตายด้วยบนบุญทุกข์นั้นเพื่อนว่าตายโดยมีสติตายโดยรู้สึกตัวเพื่นว่าให้ศึกษาให้ปฏิบัติเพ่นว่ามีเงินลอยล้านกระตายโมมีเงินกระตายเพืนอ้เรียนหนังสือจบปริยาเอกกระตายบมได้เรียนหนังสือกระตายบวชกระต่าย เรียนหนังสือทางธรรมมาจบประโยคเข้ากระตายไ่ได้เรียนหนังสือกระต่ายจะว่าควมตายจะว่าแนนอนที่สุดเ <c oughs> ขาจิตสร้างควมดีหรือจิตสร้างขวมซัวไปมันมี่สองอย่างเท่า น, นี้จิตสร้างควมซัวเรืเ่อยๆก็เฮ็ดซัวลงไปแล้วเฮ็ดขมซัวไปจี้เฮ็ดให้อาสร้างควมดีลมลดลมแล้วไปก็เลิกขมซั่วแล้วแบบนี้เลิกขมซัวแล้วขมซัวกะงีนหน่หมดที่ซื่อ น, นี่คืออย่างขมวานนี่นะอย่างอย่างพอไหวอย่าพอเลิกสูบยาก็เล้วที่ซื่อนี่นะ มันไม่มาลกกวนไม่เหงาขมขั่วเลยเลกไปเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้งขาเจ้าเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้งมาโหเราจบครบงานดูหนังนึงแล้วซื่อๆดิน่ะมันบม่เห็นอย่างไห้ห่าวห่าวหู้แับนี้อันใจมันคิดอยากไปเลยเดี๋ยวให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักห้ามมันได้นีเป็นวันใจมันอยากเหตุหักห้ามมันได้เี่ยวเป็นวันดูจิตดูใจบันม่้ที่ดูซื่อๆดิเด้ อันนี้เจ้าของดูเสื้ อ, อมาอยากไปกระพายไปว่าหู้จักใจเถโบแมนได้ควบคุมโบได้ด้วยควบคุมกายโบได้ควบคุมจิตใจโบได้ดังนั้นจีว่าให้เข้าใจตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าบบตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตออตตตแลว้วโบได้เลยนี่แหละปัจจัยแท้เลยพระพริยเจ้าทุกพระองค์และพระสาวกทุกพระองค์ต้องรู้จักวิธีตายแล้วเฮานี่ทุกคนรู้จักมั้ยถ้าฝึกหัดมัน เพราะนี้ว่าพ้นคนตายอย่างพอเข้าใจอย่างต่างอย่างพราะอายุที่สิบหกปีกําลังยางไปยางมาตอนเศ่าให้มันตายสักก้นไหมอย่างเขาจักแม่ความตายนี่มันไม่ตายเลยมันหมดจะซื้อนี่เลยหมดเนื้อหมดหนังหมดเลือดหมดยางมดทุกอย่างที่มันคือตายอะสมมุติเอาให้ฟังมีพาของบาทแขนของบาทตัดพวกมันเสียเลือดมันที่มารวมตัวออกมาบาทนี้ บ้านนี้พอดีของหัวจักรตับปุ๊บลงไปเมียาถึงเจอทั้งหมดเลือดมันจะบวมาปากบานมันจะกลับขึ้นไปล้วคุณเอาเพื่อทําที่มีกลับขึ้นเมื่อเัวทางพิมเลือดมันกลับขึ้นวันที่ปากบานมันจะบวมออกนี้มันีะเป็นอะไรสันเนธของที่ตายเลยเนี่ยพ่อเคยว่าให้ฟังเอามือไปแตะก้นผู้น้อยมันขาวพอดีเขาเอามือมันออกเอามือออกแล้วมันแดงก้นผูน้อยมันแดงแทงขามันแดงเขามือกดเข้าเป็นขาว มันคีดเป็นอะไรกันคิดเป็นนะั้มันทุกคนนี่นะที่ประสบอันนี้ทุกคนนี่นะบนยกเว้นทั้งหมดมาเดียวหู้กะตายโบหู้กะตายหู้ก็เป็นบบหู้ก็เป็นเจ้าวันศึกษาใหรู้จักอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอือถ้าหาวู้จับจุดนี้แล้วโอ้ยกระบอใส่คนแล้วอั้นโบแม่งคนอั้นคนอยู่หน้าตาแข้งขามือเท่าคนอยู่เพราะเกิดนําคนได้เป็นลูกคนเนงี้ยค่ถ้าคนก็ต้องเลือกคัดจับหาวได้เห้าวันเลือกเขา อันใดเหมาะสมกับเอาอันใดบ่เหมาะสมกับบ่เอาเป็นไหวจังสันจังหวะให้ตั้งตั้งใจเวลามันน้อยเมือ 1, 2, ่อ น, นึ่งกระสิบสองตัวโมงนึงแบบเนี้ยเขามีเรียกยังไงเขามาบวชเนี่ยเขามีเรียกยังไงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยพ้องปฏิบัติการงานซึ่งที่มันมีไปเฮ็ดเนี่ยเขาจากักสันอันนี้บ่เฮ็ดยังปฏิบัติกระบ่เอาการงานกระเอาก็เสียหลักแล้วเนี่ยเขาโม้จักบุญคุณของเขาที่มาเกิดถึงคนนี่แล้ว มาเกิดเป็นคน น, นี่ยากไหมบุยากแค่ได้เขาเบึ้งแม่คนมาเกิดเป็นคนบางคนเขาทอแม่มาแล้วตั้งทอขึ้นมาแทงออกมาได้ไหมบุตันได้เกิดเป็นคนสักหนึ่งบวชตายแล้วบางคนเกิดออกมาได้เดือนนู้นตายกะนี้ให้บางคนบางคนเกิดมาเป็นนุมเป็นสาวตายกะนี้บุทรันได้เข้าวัดสัง้งทำบ่ตรันหูจักมีนัง่งอันนี้แหละเป็นว่าเหลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังบางคนเป็นพอบ้านเมรุตายก็นี้บุญหูจักผิดถูกข์มีนัง่ง เนี่ยเป็นว่างาไปเดี่ยวหนาเดี่ยวหลังเดี่ยวใตเดล่ยวขวัวเขามีคีอยู่เนีย่ยหิดเห็ดหิดถัมาทํามัดเซาวัดเยน็นทํากันในน้อยอบรมก็ให้มันดีให้ตื้นเดึกดลุกเซาวไว้พาสุดหมดพอเมร์ซอยอันนี้เขาทานเห็ดมันก็ไ่เป็นนิสัยทางที่ดีแล้วมันบางที่ค้ายมันก็าม่ยากเห็ดแล้วบเลยเพื่นว่าอันนี้เนี่ยพอไปเทศที่สยามสุขเหมอะผ่าเทศให้ ฟ, หฟังและเทศกับเจ้าซอย คนที่ค้านมันโมฮอนดีจนเป็นคนอับปีทุกโจรหุนห้ายจนคานเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนอึคนยากเป็นคนทุกคนยากเที่ยวหาขอทานเที่ยวหาขอเข้าสึกเข้าสัตว์เบไปไส้วัดวาอารามเลียบึงต้าเป็นห้าเป็นหามห้ามเมื่อแลงแล้วก็นั่งคอยจุกถ้าเพื้นอิ่มแล้วเดี๋ยยกผ่าเข้าออกมาเลยฟาวฟู้ฟาวฟังยาตแต่โบได้หลา ย, ลยคือคนที่ตายเนี่ยแหละแม่คุณ พ, อพ่อจะเอาผ้าอุ่นมาไว้ออย่างพ่อจะพยายามจำเอาได้ เนี่ยคานบดีเลยคนในข้าเจ้ามีกินมีใสข้าเจ้าโบคานีหมบิญเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นตอกผลมันออกมาได้กินอยู่ใส่ปัดกวดโบหกเกีี้ยงแตนแล้วก็หาเงินหาของให้น่ะกระโจนแล้วกูหันรู้จักเก็บรู้จักห า, กากรู้จักไสเรื่อยๆวันนี้คนบ่รู้จักหาบม่รู้จักเก็ บ, กกกบกกไ่บรู้จักไสบุมอนี้รู้จักแต่หาจะซื้อขาบุรู้จักเก็บก้า บ, บรรุได้อีูตมีคนมาว่าให้เน่ยพบฟังมาเห็นทางทันเจรีนะลูกหลานนี่นะ เราพาวนาดีเด้กๆอ้ยดีต่อค่ะบ่ดีเพราะโบเก็บไปแต่แกไปเห็นรถแห่อย่างนึงที่ยมทุกครั้งวันนีอ้อ้าวคนก็รู้จักเก็บมันก็จะได้บ่นั่นน่ะมันก็บ่ดีแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใจพวกเขาให้รู้จักเล็กๆแต่น้อยมาอยูกก่นี่คือกันต้องทำวัดเตาวัดเด่นยาคามชุก ข, ขัดตัวเขาเที่เป็นคนดีความดีของเขาในประยุทธ์แต่เขาที่บริการขัดแย้งกับมุขเพื่อน มันขัดแยงตัวเขาไปที่คีคานไปทาวัดคีครานแต่ให้มันโมเหตุพวขัดแยงพวกใจพวกนี้มันขัดแย้งโมเป็นรูปของนีเน่ยใจพวกน้มันป็ดบัดนี้เขาไปยุ่งแต่กับผู้ท่นจีเฮ็ดโมดีผู้นี้จีเฮ็บุญเดียมันจีขัดแยงตัวมูผู้นด้เขาจีเฮ็ดดีบัวใดเขาจีเสียสละบัวดได้เป็นพญาวาเสียสละให้มูซะเขามาเฮ็ดเต็ดีคือซือในคนท่านนั้นมันอยากดีเมันก็ดีเองใครเปนผู้อยากดีก็สร้างมันแล้วเป็นอย่างนั้น่ด้พญาวาสฝึกขัดการทาวัดจดบุญเป็นหน้าที่ มาอยู่ที่นี่ทุกคนอย่าพวานเป็นหน้าที่ทุกคนต้องทํามันหน้าที่ทุกคนเนี่ยนีย่ยพระส่งองค์เจ้ากับหน้าที่เป็นการฝึกขัดเนี่ยฝึกขัดก็าจะเป็นนิสัยอย่างพ่อนี่เคยเป็นนิสัยเป็นว่าเป็นเหน่งครูบาเขียนตีให้ลุกเด็กนอนก็นอนหลังครูบาอาจารย์แต่อย่าเอบรเวณพระอย่างนีน้ถึงเวลานนต้องนอนแต่ต้งตืง้นถึงเวลานั้นมาจิตตื้นคนเดีคนกรุงเทพพวกก็คือคนบ้านเฮาเ ข้าเจ้าหกทุมนี้ไม่ได้นอนตีสอบไม่ยอมนอนไปตื่นเอาโพูนหกโมงหรือโมงเท้าเจ็ดโมงเท้าขาเจ้ารีบไปทํางานไปเขาจีเอาแบบนั้นมาบัได้บ้านของบัได้เขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติจริงจริงที่อย่าพ่อวานตื่นเดือดรุกเท้าเรียนหนังคือก็ต้องตั้งใจเรียนสอบไล่ได้มีประวัติถ้ามันดีถ้าเรียนบูดีประวัติบูดีคปล่าไปสมัครข้าบุกให้เอาเนี่ยอย่าพ่อถามรไม่ไดสมัครรับสมัครจากสิบคนเนี่ย ที่เอาสิบคนเนี่นะเพเป็นพันๆอย่าพ่อถามข้าเจ้าเอย่างพ่อปเทศโรงพยาบาลอำเภอพุทธบาทเขาเอาคนร้อยกว่าคนสมัครเป็นมื่นคนนะเนี่ยจะเป็นหวังตั้งแต่เป็นเจ้าเป็นนายจีนเงินเดือนหมดต้องทําการทํางานนั้เนีสมัคร บ, บรัได้กับบได้แหล่งก้อนเขาที่เอานี่ยเขาต้องซื้อประวัติประวัติเบื้องหลังดีตั้งใดซ่วยจะเนี่ยขาจะจีบู้จักอที่อย่างพอมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นวิธีที่ควบคุมตัวเขา ขัดข้ามตัวให้มันได้ถ้าเขาขัด ข, ข้ามตัวเขาไม่ได้ก็เต็มทีได้เกิดเป็นคนเสีย้ยวคมเป็นคนเล็ะที่หลวงพอได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตลี่ยนจิตสติใจมานี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยผระส่และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานทีนี้หรือเดียวนี้นี่แหละอาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําทังสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า และคุณของพระนาตาสาวกเขามาสมมติว่ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธสอนเอาไว้นั้นว่ากับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้อันคือตถาคตก็คืออย่างคือจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้่องใสจิตใจว่องไวจิตใจเขาเนี่ยสามารถว่องไวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหะคือจิตใจของพระพุทธเจ้าไ่เป็นโตแข้งโตขาโตเนื้อโตหนังเป็นโตจิตใจมันเต้นโตสามารถผู้จักนั้นมันเต้นเอิ้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจพองใส่จิตใจว่องไว้ตัดสินลงไปแล้วบกาัเพื่อา่าจิตใจเห็นแจ้งจิตใจดูจริงคนน่ะวิปัสนาทิตว่าตั้งเก้าลวงผาว่าเดิมเหมือนว่าต้างเก้าแท้ๆลองเทสบึ่งเนีมันทิ่เป็นแท้เนพอรู้จักอันนี้แล้วจริงว่านำมาบอกมาสอนพอแม่พี่น้องลูกหลานอยู่อยากให้ทุกคนนี่นะพนไปจากความทุกข์กันนี้ เกิดมาชาติหนึ่งก็ตายถเถเกิดมาสองชาติายสอง artet, เถอเกิดมาสิบชาตายสิบเถอะอันนี้เพราะว่าเห็นพิเป็นคุกคนเกิดมาแล้วว่าบ่อยากตายมันที่ทนได้บอกบว่ตายนี่เพราะว่าเห็นพิษนี่เกิด ม, มาต้องตายพระพเจ้าจึงสอนบ่กให้เราอย่กเกิดนะให้เราเห็นพิษเห็นทาตัวมาเกิดคนนี้ตัวจิตใจไม่ได้คุมมันได้เนี่นอย่างภาวานี่นะ่ะคุมมันมันมาเกิดพ้นี้